ที่วัดป่าสุกโตกับข้างนอกนะโดยเพราะเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากคนที่พึ่งมาจากข้างนอกจากเมืองแล้วก็มาอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยจะรู้สึกดูสังเกตได้ถึงความแตกต่างอย่างเช่นนะที่นี่เนี่ย สุขสบายน้อยกว่าหรือมองในแง่บวกคือว่ามันมีความเรียบง่ายมากกว่าข้างนอก น, นี่มีความสุขสบายเยอะแล้วก็มีความเร่งรีบขณะที่ที่นี่เนี่ยชีวิตเนี่ยมันไม่เร่งรีบขนาดนั้นอาจจะเรียกว่าเนิบช้าที่ชัดเจนอย่างน็้คือว่าข้างนอกเนี่ย มันมีเสียงอุกทึกเสียงนานาชนิตเสียงดังแต่ว่าที่นี่ข้างในเนียเสียงมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงธรรมชาติเสียงลมเสียงไั่ขัดสีกัน เสียงนกเสียงแมลงแต่ว่าไม่อึกทึกความแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากที่กล่าวมาเนี่ยก็คือข้างนอกเนี่ยมันมีสิ่งเร้าเยอะสิ่งเร้าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมไปถึงทางใจด้วยสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดความรู้สึก อ ร, อร่อยอร่อยเพลิดเพลินตื่นเต้นหรือว่าสนุกสนานข้างนอนนี่มีเยอะมากและสิ่งแล้วหลายอย่างนี่มันมันไม่ส่งเสียงนะมันไม่ส่งเสียงแต่ว่ามันก็สามารถจะเราความรู้สึกของเราจนบางที มันมีความระงมนะไปด้วยความรู้สึกนานาชนิดซึ่งบางความรู้สึกก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเช่นความโกรธความหงุดหงิดความเครียดเนี่ยอันนี้ก็มักจะเกิดจากสิ่งเร้าประเภทข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยผ่านตาผู้คนมากมายทอกวันละจำนวนมากผ่านทางโทรศัพท์มือถือสิ่งเร่าที่มันมีมากมายเนี่ยทามกลางวิถีชีวิตในเมืองเนี่ยมันก็ทำให้ผู้คนเนี่ยหลงติดไปโดยไม่รู้ตัวคนทุกวันนี้เนี่ยติดสิ่งเร้ามากและส่วนใหญ่ก็ไม่รู้สึกนะ จนกว่าจะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะอย่างวัดป่าสุกโตาเงี้ยพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะมันจะรู้สึกเลยนะใหม่ๆเนี่ยหลายคนจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกอ้างว้างหรือบางทีรู้สึกเหงาเพราะว่าสิ่งเราที่เคยเสพนะจนติดเนี่ยมันไม่ได้เสพเหมือนก่อนมันจะเป็นหนังเพลงหรือว่า ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องราวของผู้คนเรื่องราวของดาราเหล่านี้นะมันพอไม่ค่อยได้เสพนะจากการมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็กลายมาสึกอึดอัดขึ้นมานั่นแหละเป็นสัญญาณนะของอาการติดในสิ่งเราซึ่งคนสนใจเนี่ยไม่รู้ตัวนะแล้วก็ตาม่พอเราติดแล้วเนี่ย พอไม่ได้เสพเนี่ยมันก็จะมีอาการลงแดงนะงเช่นคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเนี่ยหรือติดกาแฟก็ก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้เสพเนี่ยมันก็จะมีการเรียกว่าลงแดงปันปวนบางทีไม่ใช่แค่เรื่องกายเรื่องใจด้วยแล้วคนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยจากโลกภายนอกจากเมืองใหญ่ๆเนี่ยเช่นกรุงเทพเนี่ยจะรู้สึกได้นะ กือความเหงากือความอ้างว้างขึ้นมาจนอดล้นทนไม่ได้นะต้องไปหาสิ่งเร้ายิ่งพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะเราบางทีพระที่บวชใหม่เนี่ยเราก็ยึดโทรศัพท์มือถือนะไอ้มือถือเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่นำพาสิ่งเร้า จากทั่วโลกนี่นะมาสู่ชีวิตของเราแต่ก่อนเนี่ยนะสิ่งเรานี่มันอาจจะอยู่ตามสถานที่อาจจะอยู่ที่บ้านอาจจะอยู่ที่ศูนย์การค้าหรือที่ตลาดนะแต่เดี๋ยวนี้ น, นี่ผู้คนนี่สามารถจะพกพาสิ่งเรานี่ติดตัวเแล้วมันก็เลยเล้าตุ้นเราตลอดเวลา ตั้งแต่เช้านะจนค่ำไม่เลือกทีนะ่แม้ในห้องนอนบางทีแม่ก็ทั้งในวัดนะบางคนก็อาจจะลักๆอบๆออกมาเพราะว่าทนไม่ได้นะกับสภาวะที่มันปราะศะจากสิ่งเลานะเพราะมันดูโล่งมันดูว่างมันดูเหงามันดูเงียบมันดูวังเวง จริงอยู่นะหลายคนเนี่ยมาวัดก็เพราะทนสิ่งเราไม่ได้เพราะรู้สึกลำคาญกับสิ่งเราความ อ, อุ ก, กทึกเสียงดังชีวิตที่มันมีแต่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ต่างๆไม่ใช่แค่ความสนุกสนานเพลิดเพลินจะรวมไปถึงความเครียดนะความหงุดหงิดนะความโกรธ นก็มาแสวงหาสิ่งที่มันสถานที่ที่มันมีมีสิ่งนี้เมื่อไม่มีสิ่งนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าได้สัมผัสความสงบแต่เราคนก็จะพบว่าเนี่ยพอมาถึงนี่แล้วเนี่ยนะแม้จะไม่ชอบความอุกทึกคึกโครมเสียงดังแต่พอไม่มีสิ่งเหล่านี้มากระทบเนี่ย มันก็เงามันกันนะบางคนนอนไม่หลับเลยนะเพราะมันเงียบเกินไปแต่ก่อนนี่ที่บ้านเนี่ยกลางคืนนี่มีเสียงดังจากเพื่อนบ้านจากถนนโอ้ทนไม่ได้มาอยู่วัดดีกว่าหรือว่ามาอยู่ที่ที่มันเงียบสงบดีกว่าแต่ครั้นมาแล้วเนี่ยนะพอมันเงียบมากไปพอมันเงียบมากไปเนี่ย หรือไม่มีเสียงพวกนี้เนี่ยก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดหรือว่าไม่เป็นสุขเท่าไหร่แม้กระทั่งสิ่งเล่าที่มันทำให้เกิดความไม่พอใจคนเราก็ติดนะแล้วเราก็จะเรียกว่าขาดมันได้ยากโดยเพราะในช่วงแรกๆอะไรคนเนี่ยชอบบ้านเนี่ยเวลา เข้ามาในวัดเนี่ยไม่ว่าจะที่นี่หรือที่ภูห ล, ลงเนี่ยนะเขาจูสูมันวังเวงมากและเขาจะอึดอัดเพราะนั่งจะต้องส่งเสียงส่งเสียงพูดคุยส่งเสียงตะโรกั น, นเพื่อให้เพื่อขับไล่ความเงียบซึ่งเขารู้สึกว่ามันมันดูวังเวงอันนี้ก็เรียกว่า เสพติดเหมือนกันนะสิ่งเราแม้ว่ามันจะเป็นเสียงดังเสียงกระทึกคนที่มาจากในเมืองเนี่ยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะว่าไม่ได้เสพเฉพาะสิ่งเราที่มันให้ความเพลิดเพลินความสนุกความเ็ดอร่อยมันจะสิ่งกระตุ้นที่มันอาจจะทําให้เกิดความว่าวุ่นหรือว่ามีเสียงที่ไม่พึงปรารถนาเนี่ยคือเสียงดังเนี่ย แต่พอจะขาดเสียงเหล่านั้นไปมันก็รู้สึกกระสับกระส่ายเหมือนกันต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่พอสมควรทีเดียวเป็นเพราะคนเราเสพติดสิ่งเล่าเนี่ยนะแม้นั้นไปอยู่ที่ใดที่มันไม่มีสิ่งกระตุ้นเลาเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดหรือในบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งอยู่บ้านนะแต่ว่า มันไม่มีโอกาสที่จะไปหาสิ่งเราใหม่ๆนะอย่างโดยเฉพาะเช่นช่วงล็อกดาวน์เนี่ยนะทั้งที่อยู่บ้านมันก็สบายนะโทรศัพท์มือถือก็มีใช้นะโทรทัศน์ก็มีนะสเตอร์ีโอ ก, ก็มีก็ใช้สิ่งเหล่านี้นะมากระตุ้นเราปนเปื้อแต่พอทำาบี้ไปสักเดือน2เดือนหรือว่า 3-4 เดือนเนี่ย มาเริ่มเบื่อแล้วในสิ่งที่เคยเราเนี่ยเราจิตกระตุ้นใจเนี่ยให้มีความสุขให้มีความตื่นเต้นเนี่ยมันเริ่มจะไม่มีผลต่อจิตใจแล้วเพราะว่าใจเริ่มชาชินแล้วก็ตามที่มันถูกเราบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความด้านหรือชาขึ้นมานะอย่างเช่นเท้าเราเนี่ยนะ ใหม่ๆบางคนเท้าก็บางนะแต่ถ้าเดินเท้าเปล่าเหยียบพื้นเหยียบดินเหยียบพินเนี่ยอยู่ บ, บ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มด้านหรือจะว่าแต่เท้าเลยนะอว้ว่าส่วนใดของผิวของเราเนี่ยส่วนใดก็ตามที่มันถูกหรือขาดสีนะกับกับผ้าเนี่ย บ, บ่อยๆเนี่ยมันก็จะด้านพอด้านแล้วเนี่ยการรับรู้เนี่ยมันก็จะน้อยลง อันนั้ก็อา จ, จะเป็นข้อดีนะคือมันทําให้เจ็บน้อยลงแต่ว่าความด้านบางอย่างนี่มันทําให้ความเรตอะรอยเนี่ยมันหรือความตื่นเต้นเนี่ยมันเริ่มจืดจางลงไปฟังเพลงบ่อยๆฟังเพลงซ้ําๆมันก็เริ่มหมดสเสน่ดูหนังเรื่องเดียวหรือดูหนังอยู่เรื่อยๆบางคนดูเน็ตฟลิกเนี่ยทุกวันจนไม่รู้จะดูอะไรรู้สึเบื่อขึ้นมาเนี่ย เพราะว่ารู้สึว่ามันซ้ํำซากอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆเช่นออกไปสังสรรค์คุกคลีกับผู้คนไปสนุกสนานไปเที่ยวไปปัจจุภัยอันนั้นเป็นสิ่งเล่าแปลกใหม่นะที่มันจะช่วยทําให้เกิดความสุขเกิดความสนุกสนานขึ้นมาถ้าเป็นของเดิม น, นี่มันชามันด้านอันนี้ก็เป็นโทษนะเป็นปัญหาของ ไอ้ความสุขที่เกิดจากสิ่งเราเนี่ยก็คือว่ามันพอเสียไปมากๆเนี่ยมันเริ่มหมดรสชาตินะแล้วถ้าไม่มีโอกาสที่จะไปแสวงหาสิ่งเราใหม่ๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อแล้วอย่าว่าแต่สิ่งเราที่มันให้ความสุขหรือว่าความอรเด็ดอร่อยเลยนะบางครั้งเนี่ย หากไม่มีสิ่งเล่าอย่างอื่นเลยนะก็ขอสิ่งเล้าที่มันกระตุ้นให้เกิดความทุกข์ก็เอานะเพียงเพราะมันช่วยทำให้หายเบื่อหายเสงนะมันเคยมีการทดลองนะที่อเมริกาเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะนักศึกษาเนี่ยกลุ่มหนึ่งจำนวนทั้งหญิงและชายเนี่ยให้มาทำอะไรให้มานั่งเฉย ส5ห้านาทีนะไม่ต้องทำอะไรนะจะคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็คิดได้เอาของเยะคืออย่าหลับแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ให้ทำอะไรเหมือนกันไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีหนังสือไม่มีดินสอปากกานั่งนิ่งๆทีแรกเนี่ยน ะ, ะเขาก็มีการทดลองเริ่มต้นนะให้ เอาไฟฟ้าเนี่ยไปจี้เนี่ยที่ข้อเท้าก่อนที่จะนั่งสิบห้านาทีในจี้ที่ข้อเท้าแล้วก็ถามความรู้สึกว่าชอบมไหมร้อยต้องร้อยผมไม่ชอบเพราะมันเป็นไฟฟ้าที่ ม, มันจี้ทํำให้ช็อกได้แม้ไฟฟ้ามันจะไม่แรงแล้วก็ถามว่าเนี่ยถ้าจะมีใครยอมจะจ่ายเงินเพื่อที่จะไม่ถูกไฟฟ้าชอ็อกไหมก็ส่วนใหญ่ก็พร้อมนะเพราะว่ามันเจ็บเนี่ย หลังจากน้นเนี่ยก็ให้นั่งสิบห้านาทีเพราะว่าหลายคนนี่หงุดหงิดนะรู้สึกลำคารู้สึกเบือ่อรู้สึกเป็นทุกข์มากเลยครบสิบห้านาทีก็ถามเลยนะว่าเนี่ยถ้าจะเอาไฟฟ้าจี้เนี่ยเอ า, า, าไหมหาไว้ต้องนั่งสิบห้านาทีอีกสิบห้านาที ไม่น่าเชื่อนะส่วนใหญ่นะบอกว่าเอานะเดี๋ยวผู้ชายเนี่ยสนะิบสในสบปคนเนี่ยบอกเอาเลยนะเอาไปฟ้ามาจี้เลยผู้หญิงก็มีนะแต่ว่าน้อยหน่อยนะไม่ถึงครึ่งทำไมเนี่ยถึงอยากให้เอาไปฟ้ามาจี้ที่ข้อเท้าทั้งที่มันเจ็บก็เพราะมันเดืออยู่เปล่าเปล่าดือ็ยยอยู่เปล่าเปล่า อยู่เปล่าแล้วเนี่ยมันเบื่อมันเซ็งมันทุกข์นะเพราะมันไม่มีสิ่งเร่าถ้าไม่มีสิ่งเล่าในทางบวกหรือสิ่งกระตุ้นในทางบวกก็สิ่งกระตุ้นในทางลบ ก, ก็เอาเนะไฟฟ้าจีน้นะให้มันเจ็บมันเจ็บก็ยังดีกว่าอยู่เปล่าอยู่ว่างๆมันเป็นขนาดนี้นะงั้นสิ่งเร่าบางอย่างเนี่ยที่เราไม่ชอบเนี่ย แต่ถ้าถ้าไว้ต้องอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆหรือที่ไม่มีอะไรมาเร้าเลยเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยก็ขอเอานะเอาสิ่งเล้าเนี่ยมาเพราะทนไม่ได้กับความรู้สึกว่างๆเพราะมันชวนให้เบื่อชวนให้เหงาชวนให้หมุดชวนให้กระสับกระส่ายมันก็แปลกนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนอย่างนี้คนสมัยใหม่นี้เป็นอย่างนี้กันเยอะ แม้แคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะทั้งที่ไม่ชอบเสียงดังนะแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าขาดเสียงดังไม่ได้อย่างน้อยก็ในช่วงแรกๆนะมันรู้สึกนอนไม่หลับและทั้งๆ ท, ท, ที่รู้สึกลาคาญกับความคิดนะรู้สึกว่ามันคิดเยอะเหลือเกินนะอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ข้างนอก น, นมันคิดเยอะเหลือเกินมาที่นี่หวังจะให้ความคิดมันสงบลง แต่พอมาอยู่เอาเข้าจริงๆนะพอมาปฏิบัติเนี่ยมันอดไม่ได้นะที่จะหาเรื่องคิดทั้งที่ไม่ชอบนะไอ้ความคิดเนี่ยมันฟุ้งซ่านนะอุตส่าห์มาเพื่อที่จะหาทางทําให้ความคิดมันสงบแต่พอมาอยู่จริงๆเนี่ยรู้สึกมันเหงานะถ้าไม่มีความคิดออกมาเลยนี่มันสึกเบื่อมากนะหาเรื่องคิดนะ ยิ่งปฏิบัติเนี่ยยิ่งมาใหม่ๆเนอะและถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยนะไม่มีสิ่งเร่าอย่างอื่นไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะหาเรื่องคิดเพราะว่าความคิดมันก็เป็นตัวกระตุ้นเราจิตใจเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่เสียงเพลงหรือว่าหนังหรือข้อความที่เห็นทางโทรศัพท์ไอ้ความคิดก็เป็นสิ่งเราอย่างหนึ่งนะที่หลายคนรู้สึกว่าขาดไม่ได้ ทางนั้งที่ไม่ชอบนะแต่ว่าพออยู่เปล่าๆอยู่ว่างๆนี่ก็อดไม่ได้ที่จะหาเรื่องคิดแต่ยิ่งคิดเนี่ยก็ยิ่งลำคาลรู้สึกหมุนยึดนะมันมันเป็นภาะวะที่เรื่องไม่ถูกนะอันนี้เพราะว่านะยังติดสิ่งเราแต่ว่าถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปหรืออยู่ไปนานๆเ น, น, น, น, นี่ยนะมันจะเริ่มนะ ปรับตัวได้หรือว่าคุ้นชินนะกับความสงบนะกับความเงียบกับการหรือภาวะที่ปราศจากสิ่งเราตรงนี้แหละนะถ้าเราให้เวลากับมันเนี่ยอาการเสพติดสิ่งเราไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงและเริ่มจะรู้สึกพึงพอใจกับความสงบและยิ่งนะปฏิบัติถูกนะ รู้จักวางใจได้ถูกเนี่ยความคิดมันก็จะน้อยลงหรือถึงไม่น้อยลงแต่ว่าก็จะรู้ทันความคิดได้มากขึ้นยิ่งไม่มีสิ่งเรา้ามากระตุ้นความคิดมันก็น้อยก็เริ่มพบกับความสงบในจิตใจอันตอนนี้ก็เริ่มนะเริ่มจะเกิดความพอใจขึ้นมาแล้วใหม่ใหม่ในอึดุดงุ ด, ง, ดงิดนะอึดอัดนะที่มันเงียบไปที่มันว่างไป ไม่มีสิ่งเรา่าแต่ตอนหลังเนี่ยเออกับพึงพอใจนะแต่ก่อนนี้ต้องดินลนไปหาสิ่งเล่าเช่นเสียงเพลงหรือว่าการพูดคุยกับคนให้มันมีชีวิตชีวายมีความตื่นเต้นแต่ตอนหลังเนี้ยนอยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะอันนี้มันเป็นธรรมชาติคนเราที่เริ่มปรับตัวได้ถ้าว่าเราให้เวลาและยิ่งถ้ารู้จัก ภาวนานะพอเริ่มความเริ่พวกความสงบเนี่ยก็จะพบว่าโอ้มันมันดีกว่าให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานจากสิ่งเล้าเยอะเลยนะในความสงบเนี่ยแต่พอสงบไปถึงจุดหนึ่งก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นติดความสงบขึ้นมาแล้วอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาเหมือนกันกลายเป็นติดความสงบนะติดสงบนี่หมายความว่างไหมครับว่าไปเพลินกับความสงบ อันนี้กลายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะเศษติดสิ่งเรา้ามันก็ไม่ดีนะอย่างที่พูดไปแต่สิ่งที่ดูเหมือนตรงข้ามคือความสงบปราศจากสิ่งเร้าเนี่ยและทำให้ใจมันสงบเนี่ยถ้าติดนะมันก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะเพราะวันไหนเนี่ยไม่สงบขึ้นมาเนี่ยโอ้โจะรูสึกมึนหงิดมากเลย เมื่อวานนี้ปฏิบัติดีเหลือเกินแต่วันนี้ทํามันไม่สงบเหมือนเมื่อวานจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าหลายคนจะรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจทําไมมันไม่สงบเหมือนเมื่อวานหรือบางทีเนี่ยมันเริ่มทุกข์ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติแล้วเพราะว่าความอยากสงบเนี่ยพอมีความอยากสงบเข้าเนี่ยการปฏิบัติก็เริ่มจะกลายเป็น เคร่งเครียดขึ้นมาแท น, นที่จะปฏิบัติสบายสบายก็กลายเป็นหน้าดําคร่าเคร่งนะกลายเป็นเกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยเกิดความไม่สงบนะเพราะอยากสงบนี่นแหละยิ่งอยากสงบเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็โอกาสที่จะเกิดความไม่สงบเกิดความเครียดเกิดความผิดหวังเกิดความหงุดหงิดก็เกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าวางใจถูกนะเออไม่ได้ปราถนาความสงบนะการปฏิบัติมันก็สามารถจะนำพาให้เราได้พบกับความสงบได้แต่พอพบความสงบแล้วก็ต้องมีสตินะเดีย๋ยวไปเพลิอองกับความสงบสงบนะสงบแล้วหลงอยู่ในความสงบนี่ มันแย่กว่าฟุ้งแต่ลั่วฟุ้งนะคนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อยากได้ความสงบแต่ถ้าสงบแล้วเนี่ยติดในความสงบหรือหลงอยู่ในความสงบเพลินในความสงบเนี่ยอันนี้มันแยก่กว่ามีความฟุ้งขึ้นมาในใจแต่ว่าเห็นมันรู้ทันมันพอเมื่อรู้ทันมันเนี่ยนะมันก็ทําให้สติเราเติบโต แล้วมันทำให้เรามีความสึกตัวได้ไวถ้าสงบเนี่ยก็ให้รู้นะว่าสงบมันมีความมันมีสุขเวทนาเกิดขึ้นก็เห็นมันนะไม่จมเข้าไปในมันและถ้าว่าเรามีสตินะมีความสึกตัวในขณะที่ความสงบเกิดขึ้นในใจนะในขณะที่ความคิดมันไม่ผุดขึ้นมาในขณะที่อารมณ์อกุศลมันไม่รบกวน ไอ้ความรู้สึกตัวอย่างนี้แหละหรือคุณภาพจิตแบบนี้แหละนะที่มันจะทําให้เราเนี่ยพอถึงเวลาที่มันมีสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นเช่นเสียงดังเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะรักษาใจให้สงบได้เสียงดังนี่มันไม่ได้รบกวนเรานะไอ้ความหงุดหงิดความทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากท่าทีที่ไม่ถูกต้องนะ ต่อเสียงดังเช่นไปสู้รบตกมือกับมันไปผักสายมันมีความสุดรบกับเสียงดังเสียงดังนี่ถ้าเราเฉยๆกับมันยอมรับมันหรือว่ามีสติเห็นใจที่กระเพื่อมขึ้นมาอันนี้เนี่ยมันจะไม่มารบกวนจิตใจมากแต่ที่คนเป็นทุกข์กันเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยไปผักสายไปสู้รบนะไปทะเลาะ ก, กับเสียง เสียงดังจริงว้ยนะมีความรู้สึกผักสเสียงที่มากระทบหูตรงนี้แหละนะที่มันทำให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจขึ้นมาและที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าขาดสติไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่าจิตมันมีอาการอย่างไรต่อเสียงที่มากระทบแต่ถ้าเรามีความมีสติมีความรู้ตัวนะเสียงดังก็ดังไปนะแต่ว่าใจก็สงบได้ มันเป็นความสงบที่ไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งภายนอกล้วนๆนะเลยก็ได้แม้แต่จะมีสิ่งเร้ามากมายนะแต่ว่าใจก็สงบได้ไม่ใช่ว่าจะต้องสงบต่อเมื่อขาดสิ่งเร้าไม่ใช่ว่าจะต้องสงบก็ต่อเมื่อไม่มีสิ่งกระตุ้นให้ใจมันเกิดอารมณ์ขุนมัวหรือเกิดความอยากเกิดความโกรธอม่จำเป็นนะ แม้จะมีสิ่งเราแต่ว่าใจก็ยังสงบได้อันนี้มันเกิดขึ้นได้จากการที่เมื่อถึงเวลาที่มีความสงบเกิดขึ้นเนี่ยไม่ติดมันนะไม่หลงเพลินในมันรู้นะว่าสงบนะเพิ่งถึงเวลาไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบแล้วพอถึงเวลาที่มีอะไรมากระทบจิตกระเพื่อมจิตผักสายก็รู้มันการรู้เช่นนี้ที่ทำให้ การปล่อยการวางเกิดขึ้นได้หรือจะเรียกว่าแค่ยอมรับมันเฉยๆแค่ยอมรับมันมันจะดังก็ดังไปยอมรับมันใจก็สงบได้อันนี้เรียกว่าสงบได้ทั้งๆ ท, ท, ที่มีสิ่งเรานะเพราะว่ารู้ทันมันไม่ใช่ว่าต้องสงบเพราะไม่มีสิ่งเราไม่มีสิ่งกระตุ้นเท่านั้นอันนั้นมันยังไม่พอนะเราต้องไปถึงท่านที่ว่ามีสิ่งร่ำสิ่งกระตุน้นหรือสิ่งที่กระทบนะแต่ว่า ก็ยังรักษาจใจสงบได้อันนี้เรียกว่าเพราะอะไรเพราะไม่ติดทั้งสิ่งเราแล้วก็ไม่ติดทั้งความสงบ